เอาคณะไหนเชิญมาจากไหนกันนี่ยนเียนน้ำต้มีขอให้อาารได้อธิบายเอกสารนะครับว่าเก่ยวกัความสัตใจ คือตอนจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานซะก่อนนะถ้าเรายังขาดเครื่องมือเราจะเจริญไม่ได้หรอกคล้ายๆเราจะปลูกข้าวแต่เราไม่มีขันข้าวเราอยากเจริญสติแต่เรายังไม่มีสติตัวจริงเพราะงั้นต้องมีสติเราไปฉันย่าตัวจริงซะก่อนเราต้องหัดวิธีหัดง่ายๆอย่างสติีพวกเราหัดมาเยอะแะ มาเพิ่มตัวสัมผัสชัญญยะมาฝึกความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นวิธีจะให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยเราเอาสติที่เราไปฝึกเนี่ยมารู้ทันจิตใจของเราเองถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจหนีไปเมื่อไหร่เนี่ยนะขาดความจะขาดความตั้งมั่นขาดสัมมาสมธิอันทีท่ที่ขาดสัมมาสมาธินี่ยความรู้สึกตัวจะหายไปเพราะฉะนั้นให้เราหัดเบื้องต้นเนี่ย ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยฝึกเจริลสติมาแล้วฝึกสติเอาสติไปรู้กายรู้เวทนาสารพัดจะรู้มานะเราเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เ, เพิ่มสัมผัสัฉดจัความรู้สึกตัวในขณะที่เรารู้กายเนี่ยใจต้องไม่ถลำลงในกายรู้เวทนาใจก็ไม่ถลำ ล, ล, ลงในเวทนาจะรู้กายเวทนาจิตธรรมก็อย่าให้ถลำลไปให้สักแต่รู้สักแต่เห็นให้ได้ นีวิธีที่เราจะสักจะรู้สักจะเห็นได้เนี่ยเราต้องคอยรู้ทันใจที่ถลำไปถลำไปทางตาถลําไปทางหูนะถลําไปทางใจครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนบอกว่าอย่าสบูบกิจออกนอกคําว่าอย่าสูงกิจออกนอกก็คืออย่าหลงไปอย่างเราหลงสมมุติว่าเรากําหนดเท้าเราเห็นท้องฟองท้องยุบนะเห็นฟองยุบไปเรื่อยถ้าใจเราถลําลงไปที่ท้อง ก็ไม่ตั้งมั่นนะไหลลงไปนะะทำยังไงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาต้องมีเครื่องมือก่อนนะถึจะไปทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นทำไปเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆวัตถุประสงค์ของการทำสติปัฏฐานทำไปเพื่อให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆได้จริงๆเพ้นก่อนที่เราจะทำสติปัฏฐานเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อน มีเครื่องมือใจเราคิดซ้ำไหมคือก่อนจะกายในกายเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมจิตสะก่อดจิตที่พร้อมที่จะเ จ, จริญสติปัฏ ฐ, ฐานเนี่ยมันอยู่ในบทบุตรเทศก่อนที่จะถึงกายในกายเวทนาในเวทนามีบทบุตรเทศอยู่อีกบทหนึง ในบทบุตเทศท่านจะสอนบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเอากายในกายเนี่ยเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือบ้านเครื่องอยู่ที่อยู่บ้านไม่ใช่คุกเพราะฉะนั้นทั้งเมื่อไรเราเอากายมาติดคุกขังจิตเพราะนั้นเราพลาดละ่ะเช่นเราพยายามจ้องอยู่ในกายไม่ให้เผลอเลย คนเขาด่าเราก็ไม่รับรู้จิตใจเฉยเฉยเฉยตลอดเลยนี่เรียกว่าเอากายมาขังจิตไปแล้ไม่ใช่วิหารสิทธิ์ไม่ใช่วิหารธรรมการอยู่บ้านอยู่สบายๆคนมาด่าหน้าบ้านโผล่ไปดูก็ได้คนเอาของอะไรสวยๆมาขายโผล่ไปดูก็ได้มีทุรนเมื่อไหร่ออกจากบ้านได้เมื่อนั้นแต่ว่าพอไม่มีทุระเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเอากายในกายมาเป็นแค่สั์แต่ละรู้ เหมือนให้เรามีที่อยู่ไม่ให้จิตใจร่อนเร่ยไปสเปด ส, สปะโดยเรารู้ไม่ทันท่านบอกกายเยกายานุปสัสสีวิหารติอาตาปีมีความเพียรความเพียรตัวนี้ที่จริงก็คือตัวสัมมาวายามะนั่นเองนะมีสติสัมปชัญญะอยู่คอมีสติเอาไว้นะอกภูส่เกิดขึ้นในจิตรู้ทันมันไปเลยภูศ่นเกิดในจิตรู้ทันมันลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราอยากปฏิบัติ โลภะเกิดละรู้ทันเลยนี่เริ่มแผดเผากิเลสแล้วคือการที่เรามีสติรู้ทันว่าโลภะกําลังเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามีอาตาปีมีสัมปชาญโนมีความรู้สึกตัวคือตัวสัมปชัญญะคนในโลกนี้ส่วนมากเขามีแต่สติคือเขาไม่มีสัมปชัญญะถ้าถ้าเราจะแบ่งกลุ่มบุคคลนนะ่จะมีสามแบบแบบที่หนึ่งไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ นะอย่างคนในโลกทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญนะพวกที่สองมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญนะอย่างเวลาเรากําหนดอารมณ์ทั้งหลายนะเราอยากปฏิบัติเราก็ไม่ทราบว่าอยากอยู่เราก็กําหนดเอากําหนดเอาเลยมีสติฝึกสติแต่ขาดความรู้สึกตัวอีกประเภทหนึ่งมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยสติจะทําหน้าที่สักแต่ระรึกรู้อารมณ์ อะไรแปลกปลอมเข้ามาสติเป็นยามนะมีตอนนี้มีผู้ร้ายเข้ามานะสติรายงานให้จิตรู้จิตมีปัญญาเป็นเสนาธิการคอยวิเคราะห์คอยวิจัยอย่าถล่มเข้าไปถ้าเราจะฝึกศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาด้วยการฟังนี่ยากนะแต่ถ้าศึกษาด้วยการสังเกตตัวสภาวะเข้าไปเลยเราจะง่ายกว่ากันเยอะเลย นะสังเกตสภาวะจริงๆในใจเรานะจะทําง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะสภาวะถ้าพูดตามภาษาพิธรรมก็คือตัวอารมณ์ปรมัาทนั่นเองนะอารมณ์ปรมัาทอย่างเช่นอยู่ๆเรานั่งไปแล้วเราก็คิดขึ้นมาคิดคิดคิดขึ้นมาคิดถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาความคิดเนี่ยไม่มีตัวจริง ความคิดเป็นแค่สมมุติบัญญตัติแต่พอเราคิดคิดขึ้นมาคิดเรื่องนี้โกรธนี่ความโกรธเป็นสภาวะธรรมความโกรธเป็นเจตสิกตัวหนึง่งเราเห็นความโกรธฝุดขึ้นมาในใจอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเาป็นนั่งจ้อ ง, นะจ อ, ง อ, องความคิดนั่งจ้องอยู่ในโลกของความคิดไหลอยู่ในโลกของความคิดจะไม่เห็นสภาวะธรรมอยากดูไหมสภาวะไม่ได้ยากเล ย, เลย ตอนนี้ยิม้มรู้ไหมตอนนี้ตั้งใจฟังทราบไห ม, มตั้งใจรู้ว่าตั้งใจนี่คือการหัดรู้สภาวะรู้ลงไปจริงๆเลยจิตใจของเรากําลังมีพฤติกรรมอะไรตรง น, นี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเราเรื่องตามเรื่องู้ตามอะไรอะไรสภาวะ คืแล้วแต่ว่าเปตามอะไรรัาว่าจะปรกากฏชัดเนี่ยแต่เมื่อใจเราไม่ตามไปแต่เราสักแต่รู้สักแต่เห็นอยู่ได้มีงวาฟังอาการกายของเจ็บปวดกับอาการเพื่อตามเห้่อการสอบมีโรคตานีตาการออกสีสังเกตอย่างนี้ไหมว่าตอนที่ฟังอาตามาพูดเนี่ยเราใช้อายตนะ3นสามตัวบางครั้งตาก็เห็นอาจรมาใช่บางครั้งหูก็ได้ยิน แล้วก็ที่เกิดบ่อยๆก็คือใจแอบเขไปคิดคิดตามไประยะระยะวิธีปฏิบัติก็คือรู้ทันเลยขณะนี้รู้รูปก็รู้ขณะนี้จิตไหลไปทางเสียงก็รู้ขณะนี้ไหลไปในความคิดก็รู้แวบไปที่คิดก็รู้นั่นคือการรู้สภาวะนะนั่นเป็นการรู้สภาวะอย่างตา้นั่นก็เป็นจริงใช่ไหมใจเรากําลังคิดใช่ไหมตอนเนี้ย คิดเราไม่รู้ว่ากาลังคิดอยู่เราไม่เห็นว่าสภาวะของจิตขนาดนี้ถล่มอยู่ในโลกของความคิดมิเรียกว่าหลงอยู่ทั้งที่เรารู้เรื่องที่คิดอย่างดีเลยเขาเปิดอาจารย์กำลังอธิบายอือก็ต้องคิดเอ้าฟังแล้วเขคิดอ่าคิดตัวไหนก็ไม่ทราบมันไปคิดเรื่องขั้นข้าง จิตจะไปที่ไหนเนี่ยบังคับไม่ได้ไม่ใช่มันันมันมันมมเป็นสองตัวไม่เป็นสตัวนะมันเป็นจิตที่เกิดคนลนักษณะมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาคือจิตไม่ตั้งมัน่นเลยกำลังฟังธรรมะคิดเรื่องธรรมแะแวบคิดเรื่องอื่นแทรกกลับมาคิดเรื่องธรรมะต่อนหน้าที่ของเราไม่ใช่บังคับให้จิตอยู่ที่ไหนที่หนึห่ง ใ, ให้รู้ทันที่เข้าแวบไปแวบมานะคอยรู้ทันถึงนะล่องลายนิดเดียว นั่นเป็นสมาธิยาครับทันทีที่เรารู้เท่าทันโดยที่ไม่ถลำรู้ไปนะเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเกิดทันทีเป็นสมาธิยากเป็นการรู้ทันให้เปิดให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆสังเกตไม่เวลาแวบถลำเข้าไปเราลืมตัวเราเอง อ, อย่ขนาด น, นี้มีไปคิดแล้วลืมตัวเองรู้หรือบอกไหมกายใจไม่มีละรูปนามหายหมดเลยเหลือแต่ความคิด คือบางทีถ้าเกิดเด็กนั่งนั่งอย่างนั่งดูอาการหลวงพ่อวัสดิดมันกระเดไปไหนก็ไม่ทันคือถ้าถ้าจะฝึกเนี่ยนะจิตเระเดื่องไปว่อย่างนั้นไม่ได้อย่างงั้นหลบตามมาอีกหน้าที่ของเรารู้ทันจิตหนีไปก็รู้ว่าหนีไปจิตกาลังไปคิดก็รู้ว่าไปคิดจิตกำลังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟัง ไม่หักเรานะคือขอให้เรารู้ตัวให้เป็นก่อนกายเวท น, นาจิตธรรมนี้จะแสดงตัวออกมาเองรูปนามจะแสดงตัวออกมาเองแต่ถ้าเมื่อไร่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดนะโลกของสมมุติเป็นดัด่เราจะเห็นรูปนามไม่ได้รูปนามจะหายไปหมดอย่างขนาดนี้รูปนามหายหมดใช่ไหยเหลือแต่ความคิดนะจะพิสาจน์ก็ไม่รู้นะ นั่งอยู่คุณรู้เนี่ยทยักหน้ารู้สึกไปไม่งันรูปนามหายหมดเลยเวลาเราจมไปอยู่ในโลกของความคิดงานหน้าที่ก็คืออย่าถล่มลงไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นตัวของตัวเองเอาไว้รู้สึกตัวเอาไว้แต่ว่าอย่างที่เวลาฝังแล้วการั้งใจต้องทำตัวมันได้ไหใช่เพราะจิตรู้อารมณ์แต่เดียวตัวตัวหายไป ท ำ, ทำไมมันหายไปเพราะว่ารู้อารมณ์แน่เดียวตอนนี้ตั้งใจฟังนะการการเรียนด้วยการตั้งใจฟังเรียกว่าเรียนเชิงปริยัตนะิถ้าเราจะเรียนเชิงป ฏ, ฏิบัติเราจะรู้สึกตัวอยู่ใจเราหิบคิดแวบรูปนามหายรู้ทันว่ารูปนามหายไปแล้วรู้ทันว่าเผลอไปแล้วบางรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาอีกขณะหนึ่ง น, นะนี้เราจะเข้ารู้ไปจะมีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลออยู่ตลอดเวลาเลยนะเราจะเห็นสภาวธรรมทั้งหลายนี่มีแต่เกิดกระดับ เหลือเนี่ยไปทําสารพัดนะเหลือไปฝ่ายชั่วก็ได้ปรุงชั่วก็ได้เหลือไปคิดเรื่องรายรายเหลือไปปรุงดีก็ได้เช่นโครงการปฏิบัติธรรมอย่างเราลงมือปฏิบัติตั้งอกตั้งใจทใําไปเนี่ยเบื้องหลังคืออวิชชาอาวิชชาตัวเดียวเนี่ยทําให้เกิดสังขารได้ทั้งสามอย่างเกิดกุญยาพิสังขารก็ได้ภาคเพียนปฏิบัติโดยรู้ไม่ทัน เกิดอปุญญาพิสังขารเนี่ยหนีไปปรุงโลภะโทสะมุหะขึ้นมาก็ได้เป็นปรุงชานสมาบัติเขาได้เรียกอนเนเชียพิสังขารมันออกไปจากเผลอตัวเดียวนี่นะออกไปจากความลืมตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยทําความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆ อ, อย่าเผล่อยาวตัวพิสังขาร ต, ตัวที่คนจะรักษาไว้มีหน้าที่รู้มัน พระพุทธเจา้าบอกว่าทุกให้รู้สมุทัยให้รักนะตัวอภิษษสังขารจริงๆก็คือตัวเจตนาปรุงแต่งหนะ้าที่ของเราก็คือรู้มันมันเป็นอยู่ในกองทุกนะมันไม่ใช่ตัวสมุทย้ยนะที่เ็ารู้ทางใจปรุงแต่งรู้ว่าปรุงแต่งอย่าไปห้ามกับนะไม่ว่าจะเป็นุญญาุนญาอภิสังขาร ถ้ารู้เฉย ๆ, ๆก็จะเห็นถ้าเราคิดเปนบนมันไม่ดีนะครับคิดเป็นบุญดีดีอย่างคนดีแล้วก็ทุกอย่างคนดีเนี้เรากาลังจะก้าวข้ามอีกขั้นหนึ่งนะขั้นที่มันเหนือดีเหนือชั่วคิดอย่างคนดีแล้วก็ทุกอย่างคนดีนะเช่นเราไปเห็นคนร้ายเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปด้วยคนร้ายใจชักลขาขาดนะนี่ทุกข์ของคนดีเห็นคนอื่นเขาไม่ดีก็รุ่งใจ อยากให้คนเขาปฏิบัติชวนเขาแล้วก็ไม่ยอมเข้าวัดเข้ามุงีกัะนะทุกแบบคนดีก็ถูกแล้วนะทางนี้เป็นทางที่เดินคนเดียวเอกายโ น, โนมัคโคนะเดินคนเดียวเห็นไหมเปิดไปแล้วมาด้วยกันนะครับ เคยฝึกที่ไหนผมรับกรรมฐานกับอ่าท่นจะฝึกได้ปฏิบัติมีวัจจุลจก็ดี ถ้าลงนี่ยไม่ลงนะขอบคุณนะหมายถึงว่าถ้าเราวัดตัวจะกําหนดให้นิ่งมันไม่เอานิ่งนี่มันเอานิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเอาสมถะทําไม่ได้เนี่ยทํากายไม่ได้มันได้ตะวันเป็นสิ่งดีคือคนที่จะเดินกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยจะทําได้ดีนะต้องเป็นวิจีของพวกสมถะอย่างนี้ พวกที่ฟูมากๆเนี่ยให้ไปดูกายเนีดูไม่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่รู้ทันจิตอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนมากถ้าฟังนยจะสอนไม่เหมือนที่หลวงพ่อสอนนี้หรือม่าถ้าจะบอกให้พุโทโธก่อนนะพุโทโธไปจิตสงบแล้วให้คิดเรื่องกายให้คิดนะให้คิดพิจรารณาร่างกายไปคิดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเดินลงมา อ, อีกนะจิตรวงลงมาแล้วก็จิตพิจรารณาของจิตเองนี่สายหนึ่ง นี่ครูบาอาจารย์พัดปาเดินกัอย่างนี้ส่วนทางจิตตาลุปัสสนากะธรรมานุปัสสนาเนี่เหมาะกับพวกพิปัสสนาอย่างนี้พวกดูพวกอเลยคือพวกทําความสงบยังไงก็ไม่สงบคือต้องเป็นปสายวัฏฏาก็เข้าไปในพิปัสน า, านแต่ว่าอายุต้อยความน้อย น, น, นี่ก็คือคื อ, อนนจะเป็ น, <ใ>นจะเป็นพิปัสาน า, านหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนี้นะเนี่ยคุณป้าคนนี้นะเข้าผลสมบัติมาแล้ว คือจะเป็นวิปัจนาหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีนึ่งในสายทุกสายเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งมิจฉาได้ทั้งนั้นเนี่ยพลาดนิดเดียวพลิกไปเป็นสมถะแเช่นเราดูท้องของท้องยุคยถ้าดูด้วยจิตตั้งมัน่นเราจะเห็นแต่สักแต่ว่าธาตุนี่มันเคลื่อนไหว เ, เห็นธาตุมันเคลื่อนไหวเป็นธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกแล้วไม่มีตัวมีตนอะไรเราไม่เผลอไม่ถล่มลงไปที่ท้อง ถ้าถลำลงไปเมื่อไหร่ใจไม่ตั้งมั่นจะเกิดสมถะขึ้นใจแนบเข้าไปในอารมณ์เดียวตรงนี้ตรงนี้ดูลมบากนิดนึงพูดพูดมากก็ไม่เคยดีซะด้วยคือถ้าเวลจะตอบถามพระอการย์บางทีก็คือว่าจริงๆตอนนี้มามามุ่งทางการเสพปัญหาคือจะทำสติ อาจารย์ที่อธิบายแล้วก็สอนไห้มั่นมั่นวัตถิปัฐานเนี่ยใครจะิญหรูอท้องเนี่ยครับหมูงั้นมาผิดวัดแล้วจะมาปราบบทใหม่คือเราอยากทำวัติปัฏฐานนะสิ่งแรกที่เราต้องฝึกฝึกรู้สึกตัวอะไรก่อนนะ การรู้สึกตัวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องไม่เผลอไปไม่ถล่มไปนะในขณะที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเราจะต้องสั่งให้เห็นรูปให้ได้นะไม่ใช่ถ ล, ล่มลงไปที่รูปนะเอาคุณเราดูแล้วพักระูปซเอาอันนี้ พ, พักรปูปใกลไปลองดูก่อนไม่หเงเองซลองเพ่งใส่เอาลองดูเพ่งนะอย่าคิดนะเพ่งใส่ไป เนี่ยใจไหลไปอยู่ที่นิ้วแล้วทราบไหมสิตขอเราเนี่ยเคื่ออยู่ในนิ้วที่เนี้ยทราบไหมทราบเมื่อกี้มันสลับสองอย่างไปอยู่ที่นิ้วทีหนึ่งไปในความคิดแล้วกลับมาที่นิ้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอยู่ที่นิ้วอยู่ที่นิ้วเนี่ยรู้ทันว่าอยู่ที่นิ้วเนี่ยตาเรามองเห็นรูปอย่ากให้ใจเราไหลเข้าไปในรูป นิ้วี่เป็นตัวอย่างลูกเราไปที่เห็นคนเดินมานะสมมุตนะิว่าเห็นคุณแก้วนั่งทิงนะ้นเก็นไหตอนที่เราดูเข้าใจเราไหลไปอยู่ที่เขาพอจะดูออกไหมใจยังดูไม่ออกหาที่ดูอะไรก็ได้นะดูสักอย่า ง, งพอดูอะไรเข้าไปนั้นใจเราไหลไปอยู่ที่นั้นนะอนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคำว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะจิตจะต้องเป็นแค่คนผู้สังเกตการเท่านะัะอย่าถล่มเขไปอย่าไหลเข้าไปถ้าไหลเข้าไปนี่คือเราจะลงไปจี้ลงไปเพ่งไปกํากหนดนะการกําหนดทั้งหลายนีย่คือเรื่องของสมถะเราเอาสตีกําหนดลงไปแต่จิตเราไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่ น, น, นมมเนี่ยขาดสัมมาสมาธินี่สัมปชัญญะหรือตัวปัญญาจะเกิดไม่ได้ สัมปชัญญะหรือตัวปัญญาเกิดจากสัมมาส ม, มาธิเป็นเหตุใกล้เพราะงั้นจิตที่มีสัมมาส ม, มาธิเป็นยังไงก็คือจิตที่เป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นเมื่อตาเห็นรูปใจไม่ไหลไปอยู่ที่ตาจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตาเมืนะ่อมูได้ยินเสียงจิตไม่ไหลไปอยู่กับเสียงเมื่อใจคิดนึกจิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ในความคิด เราจะแค่สักแต่รู้รูปสักแต่รู้เสียงนะให้ร hey, ู้รู้แล้วจะจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปที่รูปรู้ทันเะมื่อจิตเคลื่อนไปที่รูปเพราะรูปเป็นอดีตแล้วนะอารมณ์ปัจจุบันก็คือจิตที่เคลื่อนไปที่รูปรูปนะเป็นอดีตแล้วอารมณ์ปัจจุบันคือธรรมารมเกิดขึ้นะทางใจนะเพราะงั้นเรารู้อาลมให้ปัจจุบันไม้ได้ตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงใจเราคิด พอใจเราคิดปุ๊บคิดเราไหลเข้าไปในโลกของความคิดรู้ทันแล้วเราจะหลุดออกไปจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเราจะต้องพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆงานคิดไปนะไม่รู้ยังติดอยู่หรนะือเป่าไหมยงตื่ออยู่ ความคิดเนี่ยนะถ้าเรื่องที่คิดเนี่ยไม่มีสภาวธรรมคิดได้แต่เช้าถึงเย็นก็ไม่มีไตรลักษณนะ์คิดได้เรื่อยๆแต่พอคิดไปคิดเรื่องนี้แล้วจิตเกิดกุศลตัวกุศลตัวอกุศลอะไรเนี่ยมีสภาวธรรมรองรับเพราะฉะนั้นเราอยากเดินมิตัศสนาเราต้องดูสิ่งที่มีสภาวธรรมรองรับจริงๆ อย่างเรานั่งคิดคิดคิดแต่คิดเรื่องนี้แล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจเราจะเห็นเลยว่าควาสบายใจไม่คงที่เดือดขึ้นมาอยู่เพีเดียวหนึงก็ค่อยๆดับละลายไปแต่อย่างความคิดนี้คิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ดับคิดไปเรื่อยๆไม่ดับไม่แสดงไตรลักษณ์เช่นั้นเราต้องดูสิ่งที่มันแสดงไตรลักษณ์ได้คือรูปเป็นนามตัวความคิดยังไม่ใช่ตัวนาม ตัวกุศลกนะุศลก็สุขตัทุกตัวจิต น, นี้เป็นปลายนาม รูปเนี่จิตเราชอบไหลไปอยู่ที่รูปนะลองดรูปเนี่ยจิตที่สายเคลื่อนไปที่พระจิตใช่ไหมเรามีหน้าที่รู้ทั น, นที้ก็เรียกว่ารู้ทันจิตประมัติรู้ทันสภาวะเนี่นี้ไปไหนจะหนีพิชิตเอานะต้องรู้ทันพราะยานจิตใจเราแอบไปทําอะไรพอรู้ทันไหมไม่ห้ามเขานะห้ามไม่ได้ธรรมะทั้งหลายมีแต่เรื่องว่าห้ามไม่ได้ คำว่า อ, อนัตตาแบบว่าบังคับไม่ได้ชอบก็รู้ว่าชอบนะไม่ต้องบรรยายต่อส่วนมากเราจะชอบภากด้วยชอบแล้วก็พา ก, พากโอ้ชอบนะอะไรเงี้ ย, เ, ยนะเดยวคิดเป็นอดีตแล้ว สล่มหลุดตกอยากปัจจุบันน่ะไปตื่นถึงอารมณ์ซึ่งผ่านไปแล้ว ตงก็ไหวเป็นธาตุลบนี่ถ้าเราเรียนธาตุกรรมฐานแท้เรียนลําบากมากละเอียดบางคนนึกว่า เ, าเรียนรูปกรรมฐานง่ายจริยากมากอย่างการที่เรายกทาทาเท้าเท้าเราเหยียบพื้นอยู่สองข้างล้วยกขาขึ้นตั้งนขณะที่ยกเทา้าขึ้นก็เท้าข้างที่ยกเนี่ยจะหยอ่อนความเกร็งของกล้ามเนื้อนี่ยจะหยอ่อนในบอกธาตุดินลดลงนะม ความแข็งมันอ่อนลงแล้วแต่ว่าความไหวมันเกิดความไหวขึ้แต่นี้ท่านลงเพิ่มขึ้นดูยากเพราะฉะนั้นเล่นทาดกับมาฐานแท้ๆเล่นยากมากแต่ถ้าเล่นอย่างอินิยาปวดเลยอยู่งง่ายกว่าคืนะอยอย่างเรานั่งอยู่นั่งนั่งเรารู้ว่านั่งนั่งถ้าเรารู้ว่านั่งเป็นหมายถึงว่าจิตมีสถิระมัดชัญญะเป็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปมันนั่ง ไม่ใช่เรานั่นแต่ไม่ต้องคิดไม่ใช่ต้องคิดว่ารูปนั่งจะเห็นว่าเนี่ยก้อนธาตุก้อนนี้มันมาตั้งอยู่ตรงเนี้ก้อนธาตุก้อนนี้ไหวตลอดเวลามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาจะเข้ารู้ธาตุอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเล่นเย็นน้อดแข็งซึงไหวอย่างแค่ลมหนใจลมหนใจที่มีธาตุสี่ครบเลยอย่างสิ่งที่มันสัมผัสกับผิวหนังเราเนี่ย แรงกระทบลงไปเนี่ยธาตุดินความร้อนร้อนหุ่นหุน่นธาตุไฟการที่ทุกเคลื่อนที่ไปได้ที่ธาตุลมธาตุน้ําอยู่น้อยธาตุน้ำํำคือการที่พลังงานที่ดึงดูดวัตถุให้เข้ามาเกาะกันนี่เรียนเรียนนรื่องธาตุแท้เรียนยากเรียนยากบางคนบอกเรียนเรื่องรูปง่ายคูณรูปยากนะ แต่ดีวก็อาตมาไม่จนั่นรูปก็ได้ไที่สายเผลอแล้วทราบไหมเผลอไปทราบไหมเนี้ยรู้กีลันษณะนะแต่ปฏิบัติถ้าอยากให้ง่ายเหลือสองใยขนาดจิตที่รู้สึกตัวขนาดจิตที่เผลอแค่เนี้ยพอละแต่ตอนเผลอเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างไปทําบุญก็ได้ไปทําบ่าวก็ได้จะทําฌานจนมาบัติก็ได้คือไปปรุงแต่ง สังขารได้ทั้งสามแบบอย่างเผลอไปคิดเรื่องดีๆเธลอไปคิดเรื่องดีเกิดพบที่ดีว่าไงเจ้า